ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะครับรุณในทุ ว, วันพุทธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งฟังก่นที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมต่างๆวันนี้เรามาฝึกเจริญอาณาปานสติกันด้วยการมานึกถึง ใช้ลมหายใจของเราเป็นคเครื่องมือในการตั้งสติขึ้นเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมทำจิตใจให้สบายสบายไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดหนะ้าที่ของเราตอนนี้เปลี่ยงสังเกตเฉยๆสังเกตลมหายใจของเราเข้าออก โดยไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงคอถึงอกตรงๆหรือตามลมออกไปจนถึงปลายนอกแต่ดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือในโพรงจมูกที่เราพอจะสัมผัสรับรู้ถึงการกระทบของลมได้ซึ่งมันจะได้อยู่ระดับประหว่างในโพรงจมูกที่มีเนื้อเยื่อที่มันละเอียดออนอยู่บริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละมักจะเป็นบริเวณนั้น ยังสัมผัสไม่ได้อาจจะหายใจ แ, แรงสักสองสามครั้งพอใหายใจ แ, แรงสองสามครั้งแล้วก็ให้ใหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาตามปกติหายใจแล้วสังเกตดูแล้แลวเลยงไงก็ทําแค่นี้ละ่ะทําแค่เนี้ยมันไม่ยากใช่ไหละ่ะแต่ปัญหามันก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ที่ว่าจะให้เราดูนะเดิมก็ได้ยินเสียงด้วย งืมก็เห็นภาพด้วยแต่เราลืมตาหรือบางทีมีกลิ่นมันกระรบอย่างเงี้ยหายใจเข้าหายใจออกอยู่มีกลิ่นแล้วมันก็ได้กลิ่นนั่นนี่ดุ่นด้วยไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะดึงใจขอเราไปทำให้เราลืมลมหายใจไปเพรอเราได้กลิ่นบ้างได้ยินเสียงบ้างความคิดในตัวดีเลยหรือยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้เราลืมลมไปลืมก็คือเปลอไงเปลอ เพลินเพลินไปตามความคิดบางเพลินไปตามเสียงบางเพลินไปตามภาพบางตามกลิ่นบางเพลินมาทั้งสองทางนะทุกฝั ง, งทั้งทางที่พอใจชอบใจกับทางที่ไม่พอใจไม่ชอบใจเพลินไปแล้วมันก็ลืมลมไงลืมลมไปแล้วมันก็เผลอสติไงเผลอเพลินลืมมันจึงมีความหมายเดียวกัน สติไม่ลืมไม่เผลอไม่เลิอนก็จึงมีความหมายเดียวกันมีความหมายตรงข้ามกันทั้งสองชุดนี้เรานึกถึงลมหายใจก็ในขณะที่เราก็ได้ยินเสียงนั่นแหละความไม่ลืมลมหนึ่งคือสติใช่ไหมอยู่ลมขณะที่เราก็ได้ยินเสียงนั่นน่ะสมุฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่ได้ยินอยู่ใช่ไหมละ่ะแต่ก็ไม่ลืมลม สติมันจึงอยู่ตรงนั้นสติที่มีอยู่ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงจิตมันมีที่ตั้งถ้าจิตเราตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยอาการอย่างนี้พระบริชาบอก่นานภาษาไรบุตรสิ่งที่จะหวังได้สำหรับบุคคลนั้นคือสมาธิเมือนจะเกิดขึ้นได้สมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวเกิดขึ้นจากความระงรับลงกองจิตแต่ที่ว่าจะไป เปล่นสะดุ้งเปลี่ยนแปลงตามเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงภาพความคิดนึกหมายเพราะอะไรนะเพราะมีที่ตั้งมีที่ตั้งของจิตไว้มันกโลมใจมีที่ตั้งของจิตอยู่กนบลมความนึกถึงได้นั้นระลึกได้นั้นคือสติเป็นดาณาบานัสติมีสติตั้งขึ้นแล้วนึกถึงลมแล้ว เรารับรู้เสียงรับรู้ภาพอะไรต่างๆนี่มันธรมรมดาเหมือนสัตว์หชนิดเติมบริกเดณไหวผูกไว้กับเสาอยู่กับเสาแล้วถ้าเสาไม่ล้มเชือกไม่ขาดมันไปไหนไม่ได้นะสัตว์เหล่านั้นนะเหมือนกันจิตเราอยู่กับลมหายใจความรันทึกได้ น, นั่นคือสติดึงไปดิเสียงดึงจิตผ่านทางหูความคิดนึกนี่มันสำคัญ เป็นธรรมารมดึงจิตผ่านทางช่องทางใจมันจะไปไม่ได้เพราะเราไม่ลืมหลงเพราะเราตั้งจิตตั้งสตินิวยอย่างนี้บุฟังเราเอาสมาธินี่มาใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างบุงฟังไม่ว่าจะใช้ในการเรียนหนังสือเตรียมสอบอ่านหรือใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต เจนปัญหาในที่ทำงานปัญหาสังคมปัญหาอะไรก็ตางเขาตามที่เราเผชิญอยู่เ่อันนี่จะแก้ยังไงนี่จะทำยังไงนี่ใช้สมาธิได้ใช้สมาธิในการที่จะให้จิตสงบแล้วเอาปัญหานั้นโยนลงไปปัญหานั้นโยนลงไปเสร็จพุ่มมันจะมีคำตอบทางแก้ออกมาคำตอบทางแก้บางทีเป็นหน่งความอมดทนบ้างคาตอบทางแก้บางที เป็นการสร้างเหตุแบบนี้หรือแบบนั้นบางแต่ที่สำคัญดูฟังสมาธิเนี่ยใช้ประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาได้ให้เห็นตามความเป็นจริงได้ตามความเป็นจริงโดยความเป็นกรงไม่เที่ยงในที่นี้พรบพุทเจ้าอยากจะดูฟังเอาสมาธินี้มาใช้ในการไกรกรุณธรรมะไกรกรุณธรรมะในบทที่เรากำลังศึกษาอยู่นีหล คือบทของปฏิจจสมุปาทรักษาจิตที่เป็นสมาธินิไวให้ดีรักษาให้ดีแล้วให้ควรทำทำความเข้าใจกันต่อไปอ้าวล่ะตูฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะที่เป็นหัวข้อ หมายถึงเป็นแม่บทที่พระพุทธเจ้าเท่าใดบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างมีอุปมาอุปไมยและตัวอย่างในการใช้งานเพื่ออะไรเพื่อมันเข้าใจได้ง่ายธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายตูฟัง เป็นเรื่องที่ยากหมายถึงมันลึกมันมีความที่ต้องใช้ปัญญามันก็จึงยากสำหรับคนที่ไม่มีปัญญามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเพียนมันก็จึงยากสำหรับคนที่ไม่มีความเพี้ยนเพราะว่ายากหรือง่ายในตั่ฟังมัน subjective คาว่า subjective หมายถึงมันแล้วแต่บุคคลนะบุคคลที่ว่าง่ายก็ง่าย คุณคิดว่ามันยากมันก็ยากละแต่ที่ว่าง่ายหรือยากตามแต่ความเห็นของคนนั้น น, นมันก็คือความเห็นของกิเลสไงกิเลสไม่ชอบก็บอกว่ายากกิเลส ช, ชอบก็บอกว่าง่ายแต่ที่แน่นอนก็คือว่าธรรมะนี่กิเลสมันไม่ชอบท่าฟังกิเลสไม่ชอบธรรมะเลยมันก็จึงทาให้เรามีความเข้าใจไปบ้ามันยาก พระพุทธเจ้าก็จึงต้องมาอธิบายเอาใจก็น้อยว่าจริงๆมันไม่ยากให้เข้าใจได้ง่ายๆเพื่อที่จะทำลายกิเลสเนี่ยพอเรามีความเข้าใจในเรื่องธรรมะข้อใดข้อหนึ่งกิเลสอาสวะอนุสัยพวกนี้มันอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปธรรมะเป็นกุเรื่องทาลายกิเลสที่ทาให้ความทั้งชอบใจ และไม่ชอบใจมันออกไปจากจิตใจของเรามันจึงเหนือทั้งง่ายและยากทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีไม่ดีสรมะนี่มันจะไปสู่จุดนั้นซึ่งระหว่างกระบวนการไปมันก็ไม่ง่ายทั้งว่างแต่จังหวะยากมันก็ไม่ยากละ่ะจังหวะง่ายมันก็ง่ายจังหวะยากมันก็ยากอยู่เราก็ค่อยๆทําไป ทำนี้คือทำอะไรทําความเข้าใจให้เกิดปัญญาเพื่อให้มันเข้าถึงเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาในตุก ว, วันพุทธตัมบวังกับประชาจึงให้เป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อที่มันมีความงดงามมีการกำหนดบทเพียนชนะแต่ไม่ตื้นแต่ไม่ง่ายมีตัวอย่างทําความเข้าใจต่างๆเหล่านี้ลหละ มาอธิบายให้ฟังโดยก็จะให้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งหนาทีบ้าง1ิบนาทีบ้างแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทใต้ร่มพฏิบทตาฟังในช่วงนี้เราอยู่ในซีรีส์ของปฏิจจสมุปบาทวันนี้เป็นตอนที่9ซึ่งเป็นซีรีส์ที่จบในตัว เรื่องเกี่ยวกับธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมชื่อนั้นรา ย, รยละเอียดนั้นแต่ละเอพิโซดเอพิโซดข้าพเจ้าได้อธิบายขยายความเอาไปไว้แล้วให้ตมัมโฟังสามารถเลือกฟังกันได้ในช่วงส4สี่ตอนแรกก็จะเป็นการอธิบายว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นคืออะไร แต่ละอาการนั้นเป็นอย่างไรเป็นกู่เป็นสายยังไงยังไงเกิดและดับอย่างไรผู้ประชาไตรตรองใกล้ครวนแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับขันห้าอริยสัจสี่ 4, อเยตนะหกกันตรงไหนมีตัวอย่างในการใช้งานในชีวิตประจาวันกันอย่างไรวันนี้ก็อยากจะมาเจะ ตรงนี้เพิ่มเติมตัมฟังเกี่ยวกับเรื่องของการ น, นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ทบอทวนกันนิดหนึ่งเอาเะปาหัวข้อรายละเอียดก็ไปหาติดตามฟังกันในแต่ละเอพ s o d ดก่อนหน้านี้เอาหัวข้อที่ว่าพอจะให้ตัมูฟังที่าเพึ่งมาฟังก็จะมีความเข้าใจได้ซะก่อน ปฏิจจสมุปบาทนั้นคือธรรมาที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นมีเหตุมีผลของเขาเหตุอันหนึ่งก็เป็นผลของสิ่งหนึ่งแล้วการที่สำคัญก็คือว่าพระอะไรมีอะไรจึงมีพระอะไรเกิดอะไรจึงเกิดพระอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีพระอะไรดับอะไรจึงดับแค่นี้เองเป็นผู้เป็นผู้ ผู้เกิดแล้วก็ต้องดับด้วยนะเป็นการ cross check เป็นการตรวจสอบกันไปในตัวในแต่และคู่ที่มันเป็นการเกิดของมันการดับของมันนั้นผลนั้นก็เป็นเหตุของอย่างอื่นต่อไปอีกผลที่เกิดขึ้นของเหตุนั่นอีกก็เป็นของเหตุอื่นต่อไปอีกมันจึงดูเหมือนเป็นสาย คือท่านพูดมาเรียงๆต่อกันมันก็จึงดูเป็นสายแต่จริงๆแล้วปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นคู่เป็นคู่เวลาเรานำมาในการวิเคราะห์เพื่อให้มันไม่มึนก็ต้องวิเคราะห์ําความเข้าใจเป็นคู่เป็นคู่แล้วแต่ละคู่ที่มันเกิดหรือมันดับนั้นมันอยู่ที่จิตของเราจิตของเราจิตของเราจิตของเรา ไม่ว่าจะกู่ไหนก็ตามวิธีการจำที่ข้าพเจ้าใช้เองก็คือใช้ในรูปแบบของหน้าปัดเข็มนาฬิกาคือเวียนขวาเริ่มจากเลข12แล้วก็มาที่เลข1จนต่ำสุดนี่คือเลข6แล้วก็กลับไปเลข11หมุนมาเลข12ออีกทีหนึ่งนี่คือเวียนตามเข็มนะ โดยเริ่มจากอาวิชชาเป็นเลข12สังขารวิญญาณ น, นามรูปคือ12สสามเศรษาผัสสะเวทนาคือ456หตันหาอุปทานพบคือ789ชาติและความทุกข์คือ10และ11จำง่ายๆอย่างนี้แล้วก็เป็นคู่เป็นกู่ไป12คู่กับ 1, 1่่กูกับสอง 5คู่กับ6กคู่กับเจ็1คู่กับคู่กับ็แล้วไอ้คนที่มันมีความทุกข์ใช่ไหมจมอยู่ในคองทุกข์เพราะว่าไม่รู้นะั่นคื อ, อวิชามันก็รวนมา12ใหม่เวลาพระพุทธเจ้าท่นอธิบายท่านอาธิบายจบลงตรงความทุกข์แล้วก็แค่นี้เลยทีนี้ทำไมท่านถึงไม่บอกว่าไอ้ทุกข์แล้วก็เป็นอาวิชา แต่และคู่นั้นมันมีบริบทของการอธิบายแตกต่างกันเบอร์ B 12, 1, ส3นมี่นะมันเป็นเรื่องที่รวบรวมของทั้ง 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ไว้ด้วยกันสามคู่แรกคือวิชาสังขารสังขารวิญญาณวิญญาณนามรูปสีอาการเหล่านี้มันคือทั้งหมดที่เหลือเช่นเราจะบอกว่า พระเมีวิชาจะมีสังขารสังขารการปรุงแต่งมันคืออะไรมันคือทั้งหมดนี่เลยสังขารการปรุงแต่งมันคือวิญญาณนามรูปสไรตันะอุปทานภพชาติทุกทั้งหมดเรียกได้เลยว่าคือสังขารโอเคเพราะฉะนั้นคู่นี้มันจึงครอบงําตรงไหนก็ได้แล้วเลยหนูดีสำคัญนะตรงเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาตรงใจกลาง จุดกลางก่อนหน้าป่านนาฬิกานี่มันคือจิตของเราท่านบฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมพระบุตรชาไม่อธิบายแบบนี้ตั้งแต่ต่อนหนูนอะเอาเนี้คือเทคนิคการจําเทคนิคความเข้าใจของพระมหาไปบูรนคุณเดียวแล้วก็สมัยนั้นทีว่วายยังไม่มีนาฬิกาถูกประดิษฐ์ขึ้นนะท่านบงเวลาก็จะอธิบายเวลาเนี่ยเรื่องชั่วโมงนาทียังไม่ได้ถูกคิดคนขึ้นวินาทียังไม่ได้ถูกคิดคนขึ้น คือเขจะมามีหน่วยการวัดเวลาสมัยก่อนโน้นก็ใช้ช่วยยามก็ดูตามปริทิตย์ดูตามประจันกี่ยามกี่ยามก็ว่ากันไปใ้ระบบวินาทีนาทีชั่วโมงพวกนี้เพิ่งถูกคิดค้นมาในช่วงของสงครามโลกหรือว่าก่อนหน้านั้นนิดหน่อยช่วงการที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการเดินทางมีเทคโนโลยีอะไรต่างเพิ่มขึ้น ก็จึงต้องมีการใช้เรื่องของเวลาที่เป๊ะมากขึ้นก็จึงถึงก็ยมีการประดิษฐ์นาฬิกามาเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นว่าเออมันมาใช้เป็นเทคนิคในการจํำทาความเข้าใจได้ก็จึงนํามาอธิบายเพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญคือว่าจิตของเรานะมันจะไปเกี่ยวข้องเป็นคู่เป็นคู่กับเจ้าสิ่งนี้อยู่ตลอดตลอด จิตขอเรามีอวิชาจิตขคงเรนั้นมันจึงไปทำการปรุงแต่งเป็นสังขารจิตที่มีการปรุงแต่งมันก็ไปทำหน้าที่ในการรับรู้นะั่นคือวิญญาณไงจิตนะไปเวลามันจะปรุงแต่งเนี่ยมันจะปรุงแต่งไปในการรับรู้คือวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นตัวที่จะเชื่อมไปในนามรูปไง วิญญาณเป็นตัวเชื่อมระหว่างนามและรูปกายและใจออาสังขารมันกึงมีวิญญาณวิญญาณก็จึงเป็นนามรูปไงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ไหนที่จิตของเราและนามรูปนี่มันคืออะไรเวลาจิตมันจะไปปรุงแต่งนนคือสังขารใช่ไหมเป็นลักษณะให้เกิดการรับรู้หรือการรู้แจ้งนั่คือวิญญาณสิ่งนี้นจะไปรู้ได้ก็ไม่นอกเหนือจากนามและรูป จองทางที่มันจะไปรับรู้นามรูปนั้นก็คือสลยายตระนักตอนนี้ก็จึงเริ่มมาเป็นจุดที่เราจะเห็นได้ได้ยินได้ละเกิดขึ้นที่จิตทั้งหมดตัวอย่างดีกว่าหนูหวังเรามีตัวอย่างที่จะให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นคือจิตของเราเนี่ยมันจะยุ่งอีลลงตุงนงังโกรโ ด, ดไปกระโดดมาเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันสุบ้างทุกบ้าง ปัญหาเวทนามันยุ่งไปหมดเลยถูกไหมมันยุ่งไปหมดยุ่งยิ่งกว่ากลุ่มได้ที่มันลุงตรงหนังใช่ไหมล่ะจิตของคนที่งมีปัญหาเมียวิชามันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจึงดูยุ่งวะก็คือมันให้เห็นภาพในจิตของเราว่าจิตของเรามันยุ่งยังไงการที่เรามาทําความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจึงจะคลี่คลาย ความยุ่งเหยิองอีหลงตรงหนังนี้จะคลี่คลายได้มันก็จึงต้องเห็นความยุ่งนี่มันก่อนไงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจใจทะาูฟังผ่านจุดนี้ไปได้ผ่านจุดที่มันยุ่งยุ่งกันอยู่เนี้ยที่ทําไมมันยุ่งยุ่งมันอย่างเง้ะก็จิตเราเป็นอย่างนี้พอเราจะมาทําความเข้าใจความคลี่คลายเราจะเห็นในความยุ่งนี่มันก่อนพอเราค่อยๆแก้ไปปลดไปทําความเข้าใจไป อ่าความไม่ยุ่งความคลี่คลายมันจึงจะปรากฏขึ้นได้ต้องผ่านจุดนี้ไปได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องคุยงานกับคนที่มีกลิ่นปากคุยมันจะไหวเหรอท่านกูมันจำเป็นไงโอ้ยเหม็นเเวลาจะให้เขาพูดนี่กลิ่นมันอึกขึ้นที่จมูกโอ้ไม่อยากคุยไม่อยากนี่เี๋ยอันนี้ มีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นแล้วนะจิตเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือลักษณะที่มันต้องมีธรรมะอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนเราก็คือพื้นฐานเรยนรู้ว่งว่าจิตเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นสามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจหรือความไม่รู้ความไม่เข้าใจความเกิดขึ้นและดับไปด้วยธรรมะหัวข้อปฏิจจสมุปบาทเสมอ มันอยู่กับเราอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกที่อยู่ทุกเวลาจิตเราอยู่ตรงไหนแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะอย่าไปคิดว่าไอ้มันเป็นก้อนหรือเป็นอะไรคือมันเป็นหมวดธรรมไงเป็นหมวดธรรมเหมือนขันห้าเหมือนอริยสัจสี่เหมือนโพชงเจตเหมือนสติปัฏฐานเป็นหมวดธรรมะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วยินแต่ว่าเราจะมาจี้ตรงนี้ไหมว่าไอ้ที่มันมีอยู่มันอยู่ตรงนี้ นี่ครับชากำลังจะยกตัวอย่างบอกให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนกับตรงนี้นี่เวลาที่เราต้องคุยกับคนมีกลิ่นปากกลิ่นปากเขามันอาจจะมาจากอาหารที่เขารับประทานหรือจะมาจากภายในปอดไม่รู้ล่ะมันเป็นยังไงหรืออาจจะเป็นแค่ว่าเชื้อโรคสะสมไว้ในช่องปากอุย้ยเอางี้แล้วกันมันต้องมีเหตุมีเงื่อนไข ในความที่กลิ่นมันจ อ, อกมาจากปากของเขาได้คนทั่วไปกลิ่นปากก็ไม่มากแต่คนนี้กลิ่นปากมากมันต้องมีเหตุมีปัจจัยแน่นอนนี่ลักษณะแค่ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเป็นปฏิจจสมุปาลเลยตัง่ว่าเพราะอะไรมีหนะ้าสิ่งนี้จึงมีเพราะอะไรเกิดหนะ้าสิ่งนี้จึงเกิดเพราะอะไรไม่มีหนะ้าสิ่งนี้จึงจะไม่มี ราะความดับไปแห่งอะไรน้อสิ่งนี้จึงจะดับไปเราจะบอกว่าหอเป็นเพราะอาหารที่เขารับประทานมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าสมมติวันนั้นก็ยังไม่ได้มากินอะไรเลยอย่างเงี้ยตื่นจ้ามากกับปากเมนแล้วคนเราอ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยเออแสดงว่าไม่มีอาหารมันไม่ดับนะกลิ่นเนี่ยอ่ะแสดงว่ามันยังไม่ใช่ความเหตุเป็นผลของมันไงเออแค่ี้เราก็วิเคราะห์อย่างนี้ได้ละรู้ข้อเนี้มันมีประโยชน์อะไรบ่ การที่เขาปากเป็นมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งแ น, น่คือมันจะทำให้เราไม่ได้ไปเจาะจงหุ่งมุ่งเอาที่ตัวบุคคลนั้นไง โ, โหคนเนี้นายขาวเนี่ยโอ้โหปากเป็นฉุนกึกเลยไม่พอเราเข้าใจตรงนี้ด้วยปัญญานะทุววางนะเราจะไม่ได้เจาะลงไปถึงตัวบุคคลว่าคนนี้เขาดีคนนี้เขาไม่ดีหรืออะไรงไงเราจะเข้าใจเหตุผลเงื่อนที่ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ เปราะว่าสิ่งนี้และสิ่งที่สําคัญเลยที่ว่ามันจะมาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเลยคือว่าคนเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเนี่ยมันเพราะว่ากิเลสมันบังคับอันนี้จะพูดข้ามช็อตมากมาไปหน่อยนะคือเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงสุขภาพร่างกายมันก็ต้องมีเชื่อมีกลไกมีการทํางานอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นทางร่างกายที่เราก็ไปรักษากนาันเอาแต่ถ้าพูดถึงว่าจิตใจแล้วเราจะไม่ชอบคนนี้เราจะเกลียดคนนี้ประกอบเป็นอย่างนี้อย่างนี้ อ้ทีก็ เ, เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเพราะว่ากิเลสมันบังคับมันมีเหตุมีปัจจัยถ้าเอาเหตุเอาปัจจัยออกไปคนนี้ก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันอะ่ะเหมือนกับเราเหมือนกับคนที่เรารากักหรือคนที่เราไม่รกักก็เป็นคนมีขันห้ามีความรู้สึกมีเวทนามีท่าตีมีความพอใจไม่พอใจเหมือนกันเหมือนกันไม่ต่างกันไม่ต่างกัน เหตุปัจจัยปรุงแต่งมามันจึงดูแตกต่างกันเราจะเข้าใจข้อนี้เลยนะระว่างนะทีนี้กลับมาตรงจุดที่ว่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่สําคัญกับเท่าเรื่องของตัวเราเองหรอกว่าคนนี้เขาปากเหม็นเนี่ย<ๆ>เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้โอเคเราเข้าใจว่ามันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยเราก็จึงจะไม่ได้จะไปเจาะจงคิดว่าคนนี้เขาไม่ดีหรือดีอย่างไร เอาอดทนเอาบ้างหรืออะไรกันบ้างแต่ที่สำกันมันคือเรื่องของตัวเรานี่ตัวเราตัวเราหนึ่งเป็นยังไงพอเราคุยงานกับคนมีกลิ่ปนปากคุณได้ ก, กลิ่นเขาเนี่ยตรงไหนเพราะอะไรมีอะไรจึงมีโอพระมีกลิ่นและมีจมูกอ่านี่นี่มันคือสัญญาณตนรละมันจะเป็นภาษาไงมีการรับรู้เข้ามาในช่องทางใจขอเราล บ, ร, บรับรู้อะไร รับรู้กลิ่นนี่ไงพราะมีสัญตนะเกิดขึ้นที่ไหนจิตขงเราจิตกองเราเนี่ยจะมาออกตรงช่องทางสัญตนะอยู่เสมอจึงมีอะไรภาษาภาษาสะคือมีการรับรู้สิเพราะว่ากลิ่นจมูกใช่ไหมสอาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจึงมีการรับรู้แต่งจมูกก็เลยว่าคานะ วิญญาณมีการรับรู้ทางจมูกวิญญาณมันก็คือตัวเชื่อมหนอกกายและใจไงกายภายนอกคือกลิน่นกายภายในคือจมูกจะเข้าสู่ใจใช่ไหมผ่านทางวิญญาณวิญญาณนารูปไงวิญญาณนามรูปญญมัปนเป็นคู่ใหญ่ที่จะอธิบายคู่เล็กๆตามต่อไปจนถึงทุกได้ทั้งหมดนารูปวิญญาณ เ, าเป็นภาษาล้นี่ นามรูปัญญาเป็นภาษามีภาษาก็จึงมีความรู้สึกความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ขึ้นมาตรงนี้นะที่ค่ะพระเจ้าอธิบายไว้ในอภิษฎที่ผ่านมาก็คือว่าเวทนากับสัญญาเนี่ยมันก็ด้วยกันนะด้วยกันพราะเรามีกลิ่นมากระทบจ ม, มูกเรารู้ได้ว่าโอ้ยอันนี้เหม็นนะเนี่ยเหม็นเหม็นแล้ว ชอบก็มีนะบางคนชอบเหม็นเหม็นบางคนก็เหม็นแล้วไม่ชอบเกลียดมากหรือเกลียดน้อยคืออย่างบางคนที่เขาเหม็นจริงๆอะ่ะแล้วเขาอยู่ห้องแบบรกๆกแล้วก็เหม็นเนอย่าเง้ขาก็อยู่ได้เขาไม่คิดว่าเหม็นไงเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้กลิ่นเนาะโ อ, อยได้แน่นอนดูฟังเราเข้าไปเรายังได้กลิ่นนี่แต่ว่าเขาไม่คิดว่ามันเหม็นไงก็ เ, เลยอยู่ได้ คนปากเหม็นไม่ได้ดมกลิ่นตัวเองเหรอได้กลิ่นอยู่แต่ันไม่ได้รู้สึกว่าเหม็นไงเพราะสัญญาคือความหมายรู้ตนี้มันไม่เกิดเกิดคนละอย่างเหม็นหรือหอมเอาไม่ต้องเอาคนปากเหม็นละมันจะชัดเจนเกินไปเอาเรื่องละเอียดละเอียดอย่างเช่นว่าคือละยละเอียดเนี่ยหมายถึงจะชัดเจนลงไปกว่านี้เนี่ยน้ำหอมอ่ะคนที่เขาชอบน้ำหอมนี่แบบคือ ฉุนเกือกอย่างงี้แต่เขาชอบหอมหอมอีกคนนึ่งบอกไม่หอมไม่หอมอา้าวทำไมสองคนชอบไม่เหมือนกันนะ่ะมีคนนึงบอกเห ม, ม็นด้วยซ้ออยําก็อีน้ําหอมนั่นเขาขายขวดแล้วเป็นพันเนี่ยมันจะมันไม่เหม็นแล้วมันจะไปขายได้ไงใช่ปะล่ะเออคนชอบก็มีความหมายรู้เนี่ยสัญญาเลยไ ม, ม่เหมือนกันไงนนมีภาษาแล้วจึงมีสัญญามีภาษาแล้วจึงมีเวทนาพอมีความหมายรู้ว่าเหม็นหรือหอม ตามแต่อะไรจิตง่ายจิตมันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเวทนาหรือภาษากา็ตามจิตของเราจิตของเราอยู่ในช่องทางใจนะจิตก็เราไปเสวยเวทนานั้นมีความหมายรู้คือสัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่ามันเหม็นแล้วรู้ว่ามันหอมแล้วก็มีความรู้สึกสุขหรือทุก์เกิดขึ้นตามสัญญาตามภาษาที่มากระทบนั้น พอมีความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์แล้วใครรู้สึกจิตนะสวยเวทนาจิตเป็นผู้เข้าไปสวยเวทนาพอจิตมีการสวยเวทนาแล้วมันก็จึงอยากได้สิ่งที่เป็นสุขไม่อยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์พอใจในสิ่งที่เป็นสุขไม่พอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ใครนะจิตเรานี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่คือตัณหาตัณหานอยู่ไหน ก็อยู่ที่จิตของเราเนี่แหละมันเกิดขึ้นเพราะมีมกระตุนต้นตัณหาอาวิชชาหรือ่กิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยนะมันมีซ่อนอยู่ในจิตเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็ น, นาอาสวะอาสวะนี่มันคือทับถมมันนอนเนื่องอยู่เราจึงไม่เห็นตัวมันแต่มันพอถูกกระตุ้นด้วยผาษสะปุ๊บมันจะบูบา่าบูบ่าออกมาเลยนะออกมาก็ เนรูปของความร้อนความหิว ห, วหรือความมืดร้อนๆขึ้นนด็กโทสิฮิวๆขึ้นเด็กราค์มืดๆลงเด็กโมฮะตูวกระตุกกะ้นออกมาละจากความที่จิตนั้นมีความพอใจหรือไม่พอใจในที่นี้เราคุยกับคนปากเหม็นเราก็ต้องอดทนนะเพราะมันจําเป็นใช่ป่ะและยิงต้องทําหน้าตรงๆขึ้นเนี่ยจะมาดุ๊กนิกดุกด๊กนิกขยับจมูกเหมือนกระต่ายนี่ไม่ได้ความอดทนนี้ แต่เข้าใจไม่ถูกก็เป็นการเก็บกฎกิเลสมก็หมักหมมลงไปก็สร้างเป็นอาสวะใหม่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าอดทนถูกเข้าใจถูกเออมันไม่เป็นการเก็บกดมันก็เป็นการที่เอากิเลสขเราเออกไปด้วยซ้าคนอดท น, นเนยอากิเลสออกนะไม่ใช่เก็บกิเลสไว้ไม่ใช่เก็บความไม่พอใจไว้แต่สามารถทนอยู่กับทุกเวทนานนได้แต่นี้ตรงไหนที่ว่าทำให้เขา ทนได้เพราะว่าเกิดแล้วมันต้องมีดับนะอะไรบางอย่างมันก็ต้องดับไปจากจิตกรเพื่อให้เราทนอยู่ตรงนั้นได้ทุกเกิดไหมเกิดตรงนั้นเลยเถึนฟังเพราะว่าภาษาที่ไม่น่าพอใจเป็นตัวเวยากรณ์ไหมแล้วถ้าเราอดทนไม่ได้ใช่ป่ะแตคือมันจำเป็นจะมัต้องอยู่นะแต่อดทนไม่ได้นะเฮ้ยอย่างไงนะก็คือถ้าแบบ ท่วไปก่อนนะเอาผู้ดูชนคนธรรมดายังไม่ได้ฝึกสตรงสติอะไรเงี้ยพอฉุนกึง่งปุ๊บเสร็จแล้วไม่พอใจละยึดถือว่าออ้ทําไมคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมความยึดถือนี่มันแตกเป็นหลายอย่างนะทั้งตัวเราตัวเขาต่างๆมีความเป็นสภาวะเกิดขึ้นว่าเฮ้มันต้องเป็นอย่างนี้สิไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นที่ไหนที่จิตของเราขันธตรงไปแลรกเขาเนี่เป็นคนไม่รักษาความสะอาดเป็นคนชอบปลกอะไรต่างนั้นนี่กิดปรุงแต่งไปทั่วเลยนะ ความคิดหนึ่งขึ้นมาก็เป็นภพหนึ่งความคิดหนึ่งขึ้นมาก็เป็นภพหนึ่งภพหนึ่งภพหนึ่งแต่ละอย่างอยู่ไหนในช่องทางใจใครจะเป็นคนไปปรุงแต่งจิตของเราตรงการปรุงแต่งภพเนียวก็เป็นสังขารนะเป็นวิญญาณนะรับรูปอยู่ตลอดนะสิ่งเหล่านี้เป็นน้ําที่อยู่ในส่วนของนามรูปนะจิตเข้าไปสมวยอารมณ์นั้นก็คือลงไปเกิดจุดนั้นจุดนั้นความทุกข์มันก็จึงมีมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วที่ไหน จิตของเราจิตเราจึงมีความรู้สึกไม่ชอบมีทุกข์แล้วยังไงที่จิตนี่มันก็มีทางเลือกอยู่สองทางนี่แหละหนึ่งคือจมอยู่ในกองทุกข์หรือไม่ก็แสวงหาที่พึ่งภายนอกดูสิว่าใกลนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสอวิธีอต่ น, นี้คือจิตของเรานะเอาทางเลือกแรกก่อนสําหรับคนที่เขายังไม่รู้ใช่ไหม คนเรียกไม่รู้ก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์เราคุยงานกับคนมีกลิ่นปากเราไปไหนไม่ได้โอ้ไม่พอใจไม่พอใจอันนี้คือเก็บกดไงเก็บความไม่พอใจเอาไว้เก็บความไม่พอใจเอาไว้ทำไม อ, อาส ว, วะคือการทับถมนองเนื่องของสิ่งที่เป็นกิเลสมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นซึ่งสักวันในวันหนึ่งมันก็ต้องระเบิดออกมาสิ่งที่เก็บกดเอาไว้ มันจะระเบิดออกมาจนคุยไปโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วไปนี่ว่าแล้วก็ด่าก็ด้วยหึหึหรื อ, อทําไม่ดีปรุงแต่งอะไรตามออกมาอการที่ไม่อดทนหรืออดทนไม่ได้คืออดคนที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันตามต่อมาเนี่ยไม่ได้อกุศลธรรมมัจึงผลิตออกมาคิดไม่ดีเขาบ้างด่าเขาบ้าง พูดอยาบคายออกมาบ้างอันนี้คือไม่ดีแล้วใช่ไหมอดทนไม่ได้จนสุดต่งมาข้างหนึ่งละอันนี้คือไม่ดีเป็นทุกข์กมาละมีการเบียดเบียนละจิตนี่เป็นตัวสั่งงานเป็นตัวรับเละเหล่านี้หมดทุกอย่างจะปรุงแต่งอะไรออกมาอีกอ่ะปรุงแต่งทั้งกายปรุงแต่งทั้งวาจาปรุงแต่งทั้งใจด่าเขาทั้งวาจาไงปรุงแต่งมานี่ ก็จิตนี่แหเป็นตัวปรุงแต่งเอา้าทำไมมันถึงปรุงแต่งมางนี้เพราะมันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ไงมันไม่รู้ไม่รู้นั่คืออวิชชาไงเอา้านี่คือขาการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์อย่างเดียวนะทุวฝัง่งนะแต่สำหรับคนที่เขารู้วิธีการดับด้วยคือมีเกิดมันก็ต้องมีดับทุกเวลคนที่มีสติสัมปชัญญะมีความเข้าใจธรรมะมีความอดทนสูงเนี่ย มันจะมีการดับได้ดับได้ดับตรงไหนได้แน่นอนมะกลิ่นมันไม่ได้ดับนะดูฝั่งนะเราก็ยางต้องคุยกับคนที่มีกลิ่นปากอยู่ใช่ป่ะโอ้เหม็นม น, มนอ่ตรงนี้แหละคุณจะเป็นต้องคุยกับเขายิ่งถ้าเราไม่พูดเพราะเราเหม็นใช่ไหมยิ่งเปิดโอกาสให้เขาพูดเขาพูดมากเท่าไร่เรายิ่งเหม็นมากขึ้นเท่านั้นเอองั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพูด แต่เราพอพูดมันก็ต้องหายใจเข้าโอ้มันยิ่งเม็นเอ๊ะจะทำยังไงดีทำยงไงดีนี่เป็นทุกนะมันไปได้หลายทางดับฟังเพราะว่าจิตกําลังมันยุ่งอยู่ตอนนี้ลงไปตรงไห น, นกระโดดไปตรงไหนมันได้หมดจิตนี่มันเป็นขณะขณะ ด, ด, ด้วยขณะของจิ่นนั้นก็มีความรวดเร็วลงไปก้าวตรงไห น, นกระโดดไปกระโดดมาได้หมดยังไงคือถ้าเอาแบบสุดๆเลยนะสุดๆนี่คือดีสุดๆ ยกตัีอยเมื่อสักครู่นี้คือแย่สุดๆหรือด่ากกลับไปด้วยแต่ทําไม่ดีด้วยทีนี้ถ้าสุดๆในทางความดีเนี่ยเขาสามารถที่จะอดทนได้เนี่ยจะมารู้สึกสุขไปตามหรือทุกข์ไปตามกลิ่นที่เหม็นหรือกลิ่นที่หอมเนี่ยมันจะดับแดงแต่ตรงนี้ละจะให้มีเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนทีเจ็ดใช่ไหมเป็นสุขนะ ห, หรือเป็นทุกข์ใช่ไหมมีเวทนาเกิดแล้วจะมีความอยากในสุขนั้น จะไม่อยากในทุกนั้นอะาวไม่ฉันอยู่แดงแต่ตรงนี้เลยนี่คือคนที่เขามีสติสมัชย์ยะสูงเา้าทีนี้พอดับตัณหาได้ความที่จิตนั้นมันจะปรุงแต่งต่อเนื่องไปเนี่ยมันก็มันก็จบเลยไงมันจะไม่ปรุงแต่งต่อไปอีกว่าเออคนนี้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้่หรือเขาจะต้องไม่เป็นอย่างนี้มันจบเลย จบเลยนี่คือจิตมีความรู้เกิดขึ้นเดียวนั้นความรู้นะความรู้ความรู้คือวิชาพอมีวิชานะมันไม่ไปปรุงแต่งต่อไงที่จะไปเป็นสังขารการปรุงแต่งนั่นนี้นนจะคิดว่าคนนั้นกขไม่ดีดีหรือจะพูดออกไปว่าเขาไม่ดีดีงดเลยหยุดเลยหมดการปรุงแต่งมันก็จบแล้วไงก็เมื่อจบนี่ก็คือจิตก็นิ่งอยู่จิตนิ่งอยู่นี่คื อ, อ หลุดพน้นไงพ้นจากอะไรพ้นจากกลิ่นเหม็นๆนั่นนะ่ะเอาแต่กลิ่นเหม็นก็ไม่ได้หายไปนะแต่จิตหลุดพน้นไงจิตหลุดพ้นแล้วอยู่ที่ไหนจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่จิตดำรงอยู่แล้วมันเป็นยังไงมันจะไปอยู่ยังไงมันหลุดพ้นก็มันหลุดพ้นดำรงอยู่แล้วมันจึงยินดีร่าเริงด้วยดีจิตแบบนี้เป็นจิตที่ไม่สะดุง้งไม่สะดุ้งนี่คือไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของหอมหรือเหม็น ที่จะออกจากดอกไม้หรือปากคนหรือน้าหอมอะไรก็ตามเออแบบนี้อดทนได้นะอยู่กับพัรธะที่ไม่น่าพอใจก็อยู่ได้ตอนนี้ทางนั้นต้องดูดีๆ ด, ด, ด้วยนะว่าวิชากับโมหะเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันเพราะอย่างคนที่ืองทีอาจจะมีโมหะมากมัได้จะแยแสเปลี่ยนแปลงรักษาความสะอาดอะไร ก็จะอาจจะพูดว่าฉันปล่อยวางหมดแล้วแต่ห้องนี่โอ้โหสกปรกเต็มที่เลยทั้งเหม็นตั้งแะ่รต่างๆอาจจะเป็นโมหะก็ได้ก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีซึ่งโมหะนี่มันคืออวิชชาเลยล่ะอวิชชาทําให้เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไมล่ะพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ยังจะมีการปรุงแต่งชนิดที่ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจไม่สนใจไม่แยแสไม่ใส่ใจอาการปรุงแต่งออกไปในลักษณะที่ ไม่แยแสไม่ใส่ใจนี่คือการปรุงแต่งแบบอาวิชาไม่ใช่ว่ามีวิชาเกิดขึ้นแล้วจึงไม่ปรุงแต่งนะแต่ปรุงแต่งออกไปแบบไม่แยแสไม่ใส่ใจมันคือโมหะโมหะนี่มันจึงร้ายกามีโทษมากแล้วก็กลายช้าด้วยไปพูดเรื่องนี้เพราะว่าจะได้ให้ท่านฟังได้เปรียบเทียบส่วนต่างกันไปในตัวระหว่างความที่จิตแบบหลุดพ้นแล้วไม่สะดุง้ง กับลักษณะจิตที่โมหามากเราต้องรู้จักยกยกๆยกันให้เห็นกลมาถึงส่วนที่แบบนี้คือดีสุดๆเลยในความที่ว่าจิตของเรานั้นสามารถที่จะกระงับความสุขหรือทุกข์พอใจไม่พอใจไม่ให้มีการปรุงแต่งต่อไปเสร็จแล้วจึงไม่สะดุง้งอยู่กับผาสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้วก็อยู่ได้ลักษณะนี้เขาเรียกว่า อดทนไงอดทนคือไม่เก็บกฎอดทนคือมีปัญญามีปัญญาไม่เก็บกฎอยู่ได้ในภาสามิไดตความทุกข์ก็โดยไม่ทุกข์แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะทำได้ดีปานนี้ถูกปะบางคนก็อดทนได้แต่มีทุกข์มากๆเลยยังต้องมีส่วนที่ไม่พอใจหรือทัดอะไรบ้างอยู่ส่วนที่เก็บกฎก็มีส่วนที่ทนได้ก็มีลักษณะเป็นอย่างไร เพราะมีความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่พอใจล้เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นล้วจิตนี่มันก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้ไงไม่อยากที่จะต้องโอ้จนต้องมาทนคุยกับคนบากเหม็นอยเงี้นะโอ้ไม่เอาไม่เอาแต่มันก็จําเป็นนะในความคิดที่ว่ามันจําเป็นใช่ไหมมันเป็นความรู้เล่าที่มาฟังให้มันจําเป็นที่ต้องคุยคนนี้ไปก่อนนะงานมันสําคัญกว่านะอันนี้คือมีวิชาเกิดขึ้นแล้วมีวิชาในความตรงไหน มีวิชาคือความรู้ที่จะแยกแยะได้ว่าองานมันสําคัญกว่าเะเรื่องของบุคคลเนี่ยมันสําคัญน้อยกว่านี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะทุกฝังการที่จะมาปรุงแต่งออกไปว่าเอ้ยฉันจะด่าเขาเลยฉันจะพูดทํำร้ายจิตใจเขาเลยการปรุงแต่งต่างวาจรนี้มันไม่เกิดไงมันไม่เกิดเพราะอะไรนะเพราะคุณมีความรู้ว่าเอยไม่พูดอย่างนี้หรอกมันไม่ดี จ่ดีก็คือไม่ต้องไปติเตียนเขาอ้อนั่นคือมีความรู้เกิดขึ้นคือมีวิชาเกิดขึ้นมีวิชาเกิดขึ้นบางส่วนตัณใจก็ว่าเพราะความจางคลายของวิชาใช่ไหมความเกิดขึ้นของวิชาเกิดแสงสว่างขึ้นนิดหน่อยมันก็สว่างขึ้นนิดหน่อยไงมืดมันยังไม่หายไปหมดเราก็จึงสามารถดับทุกได้นิดหน่อยในความที่ว่าเอาพอทนอยู่ได้นะ พอตนอยู่ได้แต่มีทุกขเวทนามากนะอันนี้ก็มีส่วนที่เก็บกดก็มีใช่ไหมส่วนที่เป็นปัญญาก็มีมันเกิดขึ้นได้ไงทําไมกุมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นได้แล้วทำไมมันเกิดได้ไม่เต็มที่ไม่เกิดจนเต็มจนอวิชามันดับไปหมดเอาก็เบรรว่ามรแปด ก, กาลังสติปัญญามันยังไม่เต็มเปี่ยมมีสติอยู่มีศีลอยู่มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณ ในความพอประมาณบางอย่างได้เต็มบางอย่างก็จึงมีผลมากน้อยไม่เท่ากันการที่ว่าคนมีศีลเต็มที่แล้วจะมาลงไม้ลงมือทาร้ายกันโอ้ยฉันทำไม่ได้หรือถ้าพูดจะทำร้ายจิตใจเขาแม้ฉันก็ต้องรู้จักถนอม น, น้ำใจหนึ่งก็เป็นสัมมาวาจาเป็นชนของศีลดีขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าจะให้จิตใจมันโอมั่นคง ไม่ทุกเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ยังมีทุกอยู่ก็เก็บกดไปอยู่ในส่วนที่ทุกอยู่ต้องทนอยู่ก็ทนได้มากน้อยก็แล้วแต่กำลังสติกำลังปัญญาลกถ้ามีสติปัญญามากหน่อยก็อยู่ได้โดยไม่ทุกถ้าสติกำลังปัญญาน้อยหน่อยก็อยู่ได้โดยทุกมากหน่อยความอยู่ได้นานหรืออยู่ได้เร็วมันก็อยู่ที่กาลังตรงนี้ ว่าถ้ามีกำลังสติปัญญาสูงไม่อยู่ได้ไม่ทุกเลยอดทนได้เต็มที่แต่มีกำลังสติปัญญาน้อยก็จะอดทนได้บ้างตามแต่กำลังสติปัญญานั้นส่วนที่มันทนไม่ได้มันทุกมันก็คือหลีกไปเลยหรือหาวิธีอื่นที่จะให้จบการสุนทราะนั้นโดยเร็วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคนที่ถ้าปล่อยวางได้หมดแล้วก็จะ อยู่ตรงนั้นได้ชอบไปที่นั่นคุยกับคนปากไม่เหม็นมันก็ไม่ใช่หมายความว่า ง, งั้นนะทฟังนะนี่เรากำลังพูดถึงอาการในจิตใจของเราแน่นอนมากร้อนหรือเหม็นเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากอยู่แล้วต่อให้เป็นพระอระหันต์ทำจิตได้สูงทรงแล้วร้อนนี่ก็ต้องเปิดแอร์ยุ้มกันนะเออหรือบางทีเหม็นนี่ก็ก็เดินไปที่อื่นดีกว่าโน้มไปอยู่ตรงนี้อย่างนี้ที่ว่าหนีไปก็ไม่ใช่ว่า ทุนไม่ได้แต่นี่เรากําลังพูดถึงอาการทางจิตใจนะสถานการณ์บางอย่างมันจะเป็นต้องอยู่หรือสถานการณ์บางอย่างเราหลีกไปได้นนกำลังเป็นเรื่องของสถานการณ์ภายนอกอีกอย่างหนึ่งไปอย่างเงินยังมีอีกอย่างเช่นว่าถ้าเราดูซีรีส์อย่างนี้ดูซีรีส์โอ้พระเอกนางเอกนี่มองจ้องตากาันพูดจีบกันกระหนุงกระนิง คนดูก็โหราไปตามนะชอบไปตามโอ้พระเอกหล่อจังนางเอกสวยจังเห็นภาพได้ยินเสียงแล้วอันนี้พวกนี้เกิ อ, อยุดหยุ ย, ยุเรากดพอยส์ดูก่อนนะกดพอยส์กดพอยส์แล้วดูดูนี่ไม่ได้ดูซีรีส์นะแต่ดูที่จิตของเราเนี่ยมันอะไรที่เราเห็นนี่โอ้มันคือภาษาภาษาเห็นทางไหนนี่เห็นทางตาได้ยินทางหูอันนี้เสล่หัตนาอันี้เกิดขึ้นที่ไหน จิตของเราสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรนามรูปใครไปรู้นามรูปวิญญาณวิญญาณปรุงแต่งมาจากอะไรจิตของเรานี่แหละมันจะไมถึงปรุงแต่งแบบนี้ก็รามันไม่รู้ไงมันยังไม่ชอบดูไอ้ชอบนี่คือตรงไหนอุ ป, ปาทานแล้วเวทนาแล้วนี้เวทนาความชอบจึงมีความยึดถือจิตไปก้าวลงโอ้พระเอกเป็นอย่างนี้นางเอกเป็นอย่างงี้จิตใจก็มีความสะดุ้ง ไหลไปตามความสุขในเรื่องตื่นเต้นไปตามเศร้าไปตาม น, นี่คือเพลินไปในกองทุกข์ละถูกความทุกข์รวบรัดก่อยแล้วทีนี้ถูกความทุกข์รวบรัดให้แล้วเออเราอย่างไงก็จมอยู่ในกองทุกข์นั้นเพลินไปตามกองทุกข์นั้นหรือแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครน่าจะรู้ต่างออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธี ที่ที่เรเลนไปชอบไปดูซีรีส์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ไม่นอนทั้งคืนก็ยังได้เนี่ยเพราะมันเพลินนะอันนี้ชื่อว่าถูกความทุกรวบรัดแล้วนะเอาคนที่เป็นอย่างนี้ทางออกก็มีใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีสติสัมปชัญญะต้องมาเลยนะสติสัมปชัญญะเนี่ยอยู่ที่ไหนในปฏิจจสมุปบาทอยู่ตรงอาการที่มันดับเนี่ยฝัง อาการที่มันเกิดอาศัยตัณหาเสมออาศัยอวิชชาอาศัยการปรุงแต่งอาการที่มันดับแต่ละกู้ละกู้นี่อาการที่มันดับแต่ละกู้ละกู่นั้นอาศัยสติสัมปชัญญะอาศัยอริยมรรคมีองค์แปดอาศัยปัญญาอาศัยวิชาเสมอเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะทุกฝังนะที่กับพระเจ้ายังไม่ได้เคยพูดในซีรีส์ทั้งหมดนี้เลย ว่าแต่ละกู่ละกู้นั้นน่ะมีตัณหาอาวิชชาในกระบวนการการเกิดของมันคุณนี้น่าจะเข้าใจได้ดีจิตที่มีการปรุงแต่งไปเกิดแต่ละกู่ละกู้ไม่ว่าจะเป็นกู้ของภพชาติกู้ของอุบทานภพกู้ของสารยตนาผัสสะต่างก็มีอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอยู่ในนั้น กระบวนการเกิดขึ้นของมันนะเช่นว่าคุณดูซีรีดูซีรีนี่แล้วเกิดความยึดถือในตัวพระเอกหรือยึดถือในตัวนางเอกความยึดถืออุปท า, านใช่ไหมเกิดขึ้นที่ไหนจิตของเราถึงแล้วจิตขอเรามีความยึดถือในอะไรในทุกอย่างเลยได้หมดจึงมีการสร้างเป็นสภาวะเกิดขึ้นเอาแค่นี้เพราะมีอุปท า, านจึงมีพบใช่ปะ เนี่ยมีอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอยู่ในนี้อยู่ในกระบวนการการเกิดขึ้นของมันปนก็มาเอาวอาวิชชาตรงไหนก็คุณไม่รู้มันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นี่ตรงนี้แหละคืออวิชาแล้ว อ, อุปทานไม่เกิดพบได้เหรอไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละอวิชาอ๋อเออมันดับได้ด้วยนะรู้ใช่ไรู้เนี่ยคือวิชาละถ้าดับ ได้เมื่อไหร่จุดไหนนั่นนีก็คือจะมีวิชามีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีผู้จงอยู่ตรงนั้นนั้งกือขาดับใช่ไหมแต่ด้าคู่เกิดนี่มันมีอวิชามีตัณหาอยู่ตรงนั้นดันดีอยู่ในทุกคู่ทุกคู่เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยเงีู้้ฟังอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยของความที่มันจะเกิดทุกอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยของความที่มันจะดับทุก ถ้ากล่าวโดยสั้นๆย่อๆง่ายๆก็คืออริยสัจ ส, สี่เหตุเกิดกัวคือตัณหาวิธีการที่จะดับมันก็คือมรรคแมันก็จึงเป็นส่วนเกิดในแต่ละคู่ของปฏิจจสมุปบาทก็คือทุกข์และสมุ ท, ทยัยมันก็จึงเป็นส่วนดับในแต่ละคู่ของปฏิจจสมุปบาทก็คือนิรัและมรรคสิ่งที่เวลามีอะไรมากระทบจิตของเราแล้วเราจะสามารถทรงอยู่ในมรรคได้ตลอด นั่นคือพละของจิตนั่นคือกําลังของจิตจิตจะมีกําลังได้อาศัยอะไรกว่าพละห้าไงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ในมรรคแปดไงสีนสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญ า, า, ญญาก็เป็นการบ่มพละของเราให้มีกำลังให้มันแ ก, ก่กล้าให้มันเข้มแข็งมากขึ้นฐานศีนภาวนาบ่ม สตาบริเรสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้านั่นถึงประละที่จะเราทรงอยู่ในมรรคทรงอยู่ในทางแล้วถ้าจะบรรลุได้เร็วหรือช้ามันก็อยู่ทีว่าทางเนี้ยคุณอยู่ต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำแหละแต่ปลายน้ำมันก็ใกล้ที่จะถึงทะเลแล้วแต่ยังต้นต้นอยู่มันก็ยังอาจจะช้าหน่อยเราก็อยู่ที่ว่าเส้นทางนี้มันกว้างหรือมันแคบเราก็ไปได้เร็วหรือไปได้ช้าด้วย ถ้ากว้างมก็มีแนวโน้มว่าจะไปได้เร็วถ้าแคบหน่อนก็มีแนวโน้มว่าจะไปได้ช้าแต่ว่าช้าหรือเร็วมันก็อยู่ที่ว่าเรือลํานี้มันเร็วหรือช้าด้วยไง้เจ้าตรงนี้ที่ว่าจะเร็วหรือช้าก็คือการบรรลุตามนะคืออยู่ที่ว่าอินทรีย์แก่กล่าวหรืออ่อนอินซีของจิตก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหมือนกับพลัคนั่นแหละแต่ามาใช้งานในรูปแบบของจิตที่จะสามารถปล่อยวางได้เร็ว หรือได้ช้าปลว่านี่คือให้มันดับไงถ้าดับได้เร็วคืออินทรีย์แก่กลาดับได้ช้าคืออินทรีย์อย่างอ่อนถ้าดับได้ช้าก็หมายความว่าทุกมันก็จะอยู่นานจิตมันก็จะปรุงแต่งไปนั่นนี่นอนมากแล้วมากแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างเงี้ยเกิดขึ้นดับไปแล้วดับไม่ได้ดับเลยแล้วดับมันก็เกิดใหม่อีกในเรื่องอื่นใหม่อีก ปรุงแต่งไปพบบ้างสังขารบ้างเวทนาบ้างมันก็มีกองทุกเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยอะน้ำฝนมันก็รั่วไหลลงเยอะลงเยอะแต่ถ้าบอกว่าอินทรีย์แก่กลาใช่ไหมไอ้ความที่ว่ามันจะเกิดกองทุกขึ้นมันก็จะเบาบางเพราะว่าจิตใจของเราที่มันดับได้เร็วดับได้เร็วดับได้ไวนี่เพราะอะไรเพราะอินทรีย์มันมีความแก่กลาที่แก่กลานี่ยก็เพราะว่า สีจะมาที่ปัญญามันบ่มไว้มีการปฏิบัติตามมรรคผลอยู่เรื่อยๆจิตใจเราก็ดีขึ้นมาผูกกัลดลงลดต้นแรงต่างก็ได้มากขึ้นเป็นการเก็บกฎหรือตัวอย่างอื่นอีกเช่นการเมืองในประเทศไทยอย่างนี้เพื่อนในคนหนึ่งก็เห็นต่างเอาสีสม้มเพื่อนในคนหนึ่งก็บอกไม่ได้ฉันเอาสีแดงอีกคนหนึ่งก็ไม่เอาฉันเอาสีฟ้าอีกคนหนึ่งก็บอกจะเอาสีเหลือง อีกคนหนึ่งบอกไม่ฉันจะเอาสีน้ำเงินเอาแล้วสีเขียวหายไปไหนโอ้แต่และคนมันก็นหลายสีใช่ไหมได้ยินภาษาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คนที่เราชอบอันนี้คนที่เราไม่ชอบก็เหมือนกันนะตัวฝังมีภาษะมีเวทนาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดการปรุงแต่งอะไรต่างๆตามกันมาถ้าเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนั่นแล้วคือทุกนง่นคือสมุทัยแต่และกู้เห่งการเกิดมี ตั้นหามีอวิชชาเข้าไปทํางานเสมอๆ ม, มันจึงเกิดเกิดเกิดเกิดไม่ดับซะดีเกิดแต่ละครั้งอาสวัคศาสาศสมเกิดแต่ละครั้งอาสวัคศาสาศสมเกิดมากเกิดมากปนไปปนไปมันกลายเป็นซึมเศร้าได้นะนนนะบางคนอะระวังแล้วเกิดเนี่ยมันมี2แบบนะเกิดแช่ไปเลยนะหรือเกิดแล้วดับตามแต่กําลังของมันแล้วก็ติงอาสวะไปด้วยเกิดแช่นี่ก็คือ มันมีภาษานี้มาตลอดตลอดตลอดเลยโรสกี้ว่าจจะกระดับกระดับคือมันเป็นกระแสไงเราฟังมันเป็นกระแสเหมือนกระแสน้ํานี่นะไหลไปเหมือนกระแสลมนี่แหละพัดไปลมนี่มันคืออะไรก็คืออากาศมีการเคลื่อนที่ก็เลยเป็นลมอากาศมันก็เป็นแต่ละโมเลกุลโมเลกุลของมันนะน้ําก็เหมือนกัน่ะเป็นแต่ละโมเลกุลโมเลกุลของมันมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปมันกจึงดูเป็นกระแสน้ํา เยอะมากขึ้นมันก็จึงดูเป็นแม่น้ำนคือน้ำหยดเดียวเหมือนกันจิเขาเราแช่ไปไหลไปไหลไปแช่ไปมันจึงดูเป็นกระแสเป็นความคิดนึกอะไรต่อเนื่องถ้ามันมีเหตุให้เกิดอยู่ต่อมันก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อนี้บางทีมันเหตุมันหายไปโดยที่ไม่ได้เกิดจากมากนะเออบางทีความดับอย่างใดอย่างหนึ่งได้เช่น ดับความยึดถือได้เพราะไม่มีตัณหาในเรื่องนี้แฟชั่นพวกสิ่งของสวยงามเออฉันใช้นี่ก็ชอบอยู่แต่พอเวลาผ่านไปฉันก็ไม่ชอบแล้วเปลี่ยนละเออทำไมตัณหามันดับได้ดับได้สิก็ฉันไม่ชอบแล้วนี่อุปทานก็ดับไปจากสิ่งนี้ไงแต่นั่นไม่ใช่ว่าคุณหมดความถูกนะ่ะไอ้ที่ดับไปก็ดับไปไที่เกิดใหม่มันก็มาอีก เกิดใหมก็ฝ <ai> <f unk> ังอาสวะขบีดับไปก็ดับไปแล้วอาสวะไม่ได้หายเกิดใหม่ก <ai> <f unk> ็ฝังอาสวะขบีที่ดับไปก็ดับไปอาสวะไม่ได้หายแต่ถ้าจะดับแล้วให้อาสวะมันหายต้องใช้กระบวนการของมรรคแปงไงกระบวนการของศีลสมาธิปัญญากระบวนการของสติสัมปชัญญะกระบวนการของศรัทธาวิเดียสติสมาธิปัญญากระบวนการเหล่านี้ดับเนี่ยอาสวะมันลอกออกไปด้วย ที่ดับไปแล้วก็ับไปแล้วนะอาสวะมันฝังเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงดูตรงที่มันจะเกิดเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมีทุกข์อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราใช้มักแปเนี่ยอาสวะที่มันฝังอยู่มันก็จะหลุดออกไปที่จะมาใหม่มันก็ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะดับความทุกข์เนี่ยมันต้องดับตรงที่มันมีทุกข์ไงเวลาเราจะแก้ปัญหามันต้องไปแก้ตรงที่มันมีปัญหาไงก็จะปะ เวลาจะจัดการกับเชื้อโรคก็ต้องไปตรงที่มันมีเชื้อโรคนะจะทําความสะอาให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องไปทําตรงที่มันสกปรกนะจะทําความสว่างให้เกิดขึ้นได้มันก็ต้องไปตรงที่มืดนะะเพราะไม่งั้นความสว่างมันจะเกิดไม่ได้ความสาดมันจะเกิดไม่ได้ความพ้นทุกข์มันก็จะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ไปทําตรงที่มันทุกข์นะเราจะไปใส่ยาที่ตาตุ่มเ่รถ้ามันเป็นแผลอยู่ที่ศอกนะมันก็ต้องไปใส่ตรงที่มันเป็นแผลนั่นแหละตรงไหนที่เราทุกข์อยู่ เราเอามัรกแปใส่ลงไปอาสวะเก่าที่สังสมนะ่ะหลุดออกด้วยเอาไรที่มันสังสมก่อนหน้านี้มาเนี่ยมันมันไปแล้วมันจบแล้วมันฝังอยู่ตรงเนี้ยเราจะให้มันหลุดออกได้เนี่ยเอาไอใหม่ๆที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี่แนะหละเรามีทุกอยู่ปัจจุบันนี้นะทุกท่าเพราะถ้าเราไม่มีทุกอยู่ปัจจุบันนี้โอ้ยเราไม่ได้มานั่งมาพูดมาคุยกันอะไรกันอยู่ตรงนี้ได้หรอปรินนีาน้าปมานานแล้ว แต่เพราะว่าเรายังมีทุกข์อยู่ตรงนี้เราจะดับทุกข์ได้ด้วยกระบวนการของมรรคแปดสวกเหล่านั้นก็จะหลุดไปด้วยหลุดไปด้วยอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมอยู่กันในที่ทํางานเราคุยงานอยู่คุ้ยกับเพื่อนฝูงคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องการท่องเที่ยวดูซีรีส์เดินทางอยู่ในครามกลัวมันอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมด มองว่าทุกผู้ฟังทำความเข้าใจในซีรีส์ของปฏิจจสมุปบาทแต่และเอพิโซดเอพิโซดในวันนี้เรายกเรื่องตัวอย่างในการทํางานในชีวิตประจิมันเพิ่มขึ้นอีกในเอพิโซดหน้าทุกฟังท่าระชานจะนำเรื่องราวของปฏิจจสมุปบาทเป็นที่หลายๆรูปแบบที่พระบรมชาติ จ, จะไม่ได้ใช้ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทหรอกนะแต่ว่ามันก็มีลักษณะการเกิดก้นดับมีความ เกี่ยวข้องการเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยเงื่อนไขแบบอื่นๆมาให้ฟังกันในวันนี้เวลาหมดแล้วฝังช่วงกองใต้ร่มพอิบทซึ่งจะมาพบกับทรรมฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแ ต, ต่เวลาตี 5-6 ถึงกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่าง รายการนี้จะโดยมูนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาภัยบูรณ์พี่ปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ของมูนิธิปัญญา o .o r g e a n y a o r g ระบบก็ม่เหมือนปรุงนี้จนุนปาน